ไปนะครับกลับมาในบทสววิธีหน้าหน้าร้อยแปดสิบหนะครับข้อที่แปดสิบสามเออนี้อันนี้คงไม่เคยมนีนะสมัยนีย้พิสูรรูปใดไม่ได้แจ้งทราบก่อนพึงร่วงล้ำธรณีประตูข้อบรรทมของพระราชาผู้ขติยาชาผู้ได้รับมูลธาพิเศษแล้วที่พระราชาหรือพระมเหสียังไม่เสด็จออกไป ยังอยู่ด้วยกันต้องอาบรป่าจิตตีนี่ไะครับสมัยก่นอนก็จะมีหน้าชครูใช่ไหเนี่ยนะพระอภรรที่เป็นอไอนะครับที่เป็นข้าครูนครับใ <c oughs> ช้คำว่าอย่างไรนะแต่งตั้งข้าครูเป็นสอนธรรมครับเป็นครูสอนธรรมแกฝ่ายในของพระราชาครับพวกนาสนุนกํำลังราชการขึ้นาหในใช่ไหมอันนี้ถ้าบอกว่านะครับ ที่เป็นอันตรที่เนี่นะคือิีสูนะครับเดินเข้าไปนะในห้องบรรทมของพระราชาเลยที่พระราชาและพระราชนีเนะี่ยยังอยู่ด้วยกันนะครับยังอยู่ด้วยกันอยู่ยังไม่ได้ออกไปรับขบพระองค์เลยนะนะครับแต่ถ้าออกไปแล้วนะครับพระราชาก็ดีพระราชนีก็ดีครับออกไปแล้วลคนใดคนหนึ่งใช่ไหมอย่างนี้ก็ไนะครับหรือออกไปทั้งสองคนแล้วก็ไม่ต้องอันตรอนะอันนี้หมายความว่าไม่ได้แจ้งเข้าสร้างก่อนด้วยนะครับ ไม่ได้บอกองคลักไม่ได้บอกอะไรเจ้าหน้าที่ก่อนใช่ไหมให้ไปบอกพระราชาให้ทราบก่อนนะครับยูวีดีก็เดินเข้าไปเลยนะต้องไปห้องบรรทมด้วยนะครับถ้าห้องอื่นก็ไม่เอานะห้องโถงห้องน้ําห้องนั้นี่ไมจอเจที่ห้อ ง, อรออองบรรทมแล้วพระาชาและพราชนี้ก็ยังเสด็จอยู่ด้วยกันนะครับยังไม่ได้เสด็จออกมาพระา็ลุกน้ําทอนิประตูเข้าไปไอันนี้ต้องแบบปาจิตตินะครับพระราชาผู้ขัติยะช่างนะครับบอกว่า ในรำมุรฐาพิเศษแล้วนะครับเขาทำพิธีใช่ไหมพิธางพิธีมุรคาพิเศษนะครับเป็นยังไงเขาจะมีรถน้าใช่ไมก็เป็นเฉลิงลากครับถ้าใครใครดูนะตอนที่ในหนวงอะไรขึ้นคองน้าใหม่ใช่ไหมครับเขาจะมีพิธีใช่ไหมครับให้นั่งตรงสวยแตาดใช่ไหมมีพิธีอะไรตออะไรนะขาเขาหลังน่นนั่นเขาจะเปทางพิเศษ พระประราชาระบางพระองค์เนี่ยตอนนี้คของราชใหม่ๆยังไม่ได้รับมือทาพิเศษนะอย่างสมัยก่อนเนี่ยอย่างเช่นพระเจ้าส่งหาราชเนี่ยเขาเขามีการอะไรนะฆ่าพี่น้องพี่น้องนะครับกี่คนนะที่ทรงฆ่าตายครับเก้าถึงเก้าคนหรือเปล่าก็เหลือน้องอยู่คนนี้ที่ไม่ได้ฆ่าน้องรูเข้ามาได้ใช่ไหมที่เหลือข้าหมดเลยนะครับ แต่ได้เป็นพราราชาขึ้นมาพวกไปค่าที่เองนะนะครับพอพระเจ้าพี่เป็นพระราชาใช่ไมครับ<ม>ธรรมดาพี่ใหญ่ที่สุดต้องเป็นพระราชาใช่ไหมอแต่นี่เป็นฆ่าหนเงนะครับเนี่ยพง ก, ก็เด้ยพระราชาแทนเราสมัยแก็ยังไม่ได้มมรับโลชานพิเศษหรอกนะกี่ปีจาไม่ได้นะี่ในรับโลานพิเศษนะครับไปมาต้ออานแต่เน้นเย่ ง, ย ง, ยงนะิยามหอย หน้าที่800เรื่อง800ที่สุดฝนเรื่องของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะครับโดยสมัยนั้นผู้ประพาคพระเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารังของนาถานบิิกาข้ามบดีเขตพระนครสามบทีนี้ครั้งนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลตัดสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระราชุทยานว่าดูก่อนพนา เจ้าจงไปตกแต่งอุทยานให้เรียบร้อยเราจะบำเพ็ญอุทยานเจ้าหน้าที่รักษาพระราชอุทยานผู้นั้นเล่าสนองพ่อรมราชองค์การแล้วตงแต่งพระราชอุทยานอยู่ได้เห็นพิมพพระพาเจ้าประทับอยู่หน้าโคนไม้ต้นหนึ่งครั้นแล้วจึงเข้าฟ้อพระเจ้าเปรตทธ่โกศลกราบทูลว่าขอเดชะพระราชอุทยานเรียบน้อยแล้วและพิมพ์พระเจ้าประทับอยู่ณโคนไม้ในพระราชอุทยานนั้น จะเจ้าข้าท้าวเธอรับสัว่าช่างเถรพนาเราจะเฝ้าพุทธภาคเจ้าัคณะเสด็จไปสู่พระราสุทยาเข้าเฝ้าพุทธภาคเจ้าขณะนั้นมีอุบาสกผู้หนึ่งนั่งเฝ้าพุทธภาคเจ้าอยู่ใกล้ๆท้างเธอได้ทอดพระเนตรเห็นอุบาสกนั้นนั่งเฝ้าอยู่ใกล้พุทธภาคเจ้าอุบาสกนี่คือใครนะน่าจะฉัตรตาปันยิบบาสกเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับ บางศพที่มีอะไรมีรอบในมือใช่ไหมครับอนะครับแล้วงตกพระไทยยืนชะงักอยู่นะนะครับครั้งแล้วทรงพระดำรีว่าบุรุษนี้ไม่ใช่คนต่ำช้าเพราะเฝ้าพร ะ, พ, ระพักตเจ้าอยู่ใกล้ๆได้แสดงว่าไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหมเนี่ยสามารถเฝ้าพระพักตรเจ้าอยู่ใกล้ๆได้นะครับดังนี้แล้วเข้าไปถวายบังคมพระพักตร์เจ้าประทับนั่งหน้าร า, า, าชอาณาจอันสมควรส่วนข้าหนึ่ง ส่วนอุบาสกนั้นไม่ถวายบังคมไม่ลุงงกหลับเสด็จพจระเจ้าเปเสนที่โกศลด้วยความเขาดจบวิญญาณเจ้าจึงพระเจ้าเปเสนษี่โกศลไม่ทรงพอพระทัยว่าชไนบุรุษนี้เมื่อเรามาแล้วจึงไม่ว่าไม่ลุกหลับเพราะเขาถือว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระธรรมราชาใช่ไหมสูงส่งกว่าพระราชาธรรมมาลาเยอะมากไหมครับอาศัยของมร้วยเจ้าแม้พระราชาเสด็จมาก็ไม่ลุกหับกลางว่า ไม่เข้าใจนะหาว่าเข้าอะไรเนะนี่ยแถมมาทำความเคารพเราใช่ไหมยิ่งว่าไม่เห็นหน้าเห็นอะไรพระราชาเนี่ยงไงนะครับกลับไม่พอใจนะครับเมื่อพระเจ้าทรงทราบว่าพระเจ้าเป็นที่กรุณาไม่ทรงพองระไทยจึงต่างขึ้นในขณะนั้นว่ามหาบุพพิษุบาศผูกนี้เป็นผู้สูงเป็นคนเล่ามีภระเศียรติธรรมะเป็นผู้ประจักษ์ความมีในการทั้งหลาย ก็คือเป็นพระอนาคามีเดนเองนนะครับเนี่ยข้านาพระเจ้าปเปโสรัตโกโศลทรงพระดำริว่าอุบาสกผู้นี้ไม่ใช่เป็นคนต่ําต้อยแม้เมื่อพระเจ้าก็ยังประชถมเขาและรับ ส, สัส่งอุบาสกนั้นว่าดูก่อนอุบาสกเธอคุณพูดได้ตามประสงค์เธออุบาสกนั้นกล่าวทูลว่าเป็นข้ามหากรุณาที่คุณอย่างล้นเก้าพระพุทธเจ้าค่าลาําดับเมา่อพระเจ้าทรงชี้แจงพระเจ้าเปโสรัตโกศล ทรงเห็นแจ้งสมาทานอาหารราชหลวงธรรมมีกระถาท่ะนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าทรงชี้แจงให้ทรงเห็นแจ้งสมาทานอาหารราชหลวมมีกระถาแล้วเสด็จลุกจากบัลลังก์ถวายมงคลพระาคเจ้าทรงทรบัลลังก์ศแล้วเสด็จกลับนะครับต่อมาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลประทับอยู่ณคัมหาปราสาทชั้นบนได้ทอบพระเนตรเห็นอุบาสมนนั้นเดินกล้า่งล้มไปตามถนนเนี่ยต้องเป็นสัตตากางอุบาสมน่แน่ๆใช่ไหม แต่นี้ถ้าเล่าในย่ อ, ยอนะเรื่องนายละเอียดก็ไปอ่านเราไปแลกกันนะครับรู้สึกว่าในสถานธรรมบทน่าจะมีนะเรื่องสตาทางนิวบาลศนะครับจึงโปรดให้เชิญดูมอคเต้าและเล่าสังว่าดูกล่องอุบาลศได้ทราบว่าเธอเป็นผู้สูตรเธอเป็นคนเล่าเนียพระเสียสิิธรรมมากดีละอุบาลศขอเธอจึงช่วยสอนธรรมแก่ฝ่ายในของเรารพวกนั้นวสูงกำลังผู้อาชีพไม่เครู้ในวร์นะครับไปสอนนะครับ กูบาลส่งในกาบทูลว่าขอเดชะข้าพุทธเจ้ารู้ธรรมด้วยอํานาจแห่งพระคุณเจ้าทั้งหลายพระคุณเจ้าเท่านั้นจักสอนทำแก่ฝ่ายในของใต้ฝ่าลองทุริพบาได้พระเจ้าเป็นเสิยงที่โกเสร์ลรับสั่งขึ้นในขนาะนั้นว่าอูบาลกพูดจริงแท้ดังนี้แล้วก็ไปเข้ามีพระภาเจ้าพระวังคมแล้วประทํานั่งน่าชัาสะอาดสมควรส่วนข้าหนึ่งนะครับแล้วก็กราบทูลว่าข้าพุทธเจ้าขอประทานพระบรมกา ขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดให้วิสุรูปหนึ่งเป็นผู้สอนธรรมแก่ฝ่ายในของหม่องฉันพระพุทธเจ้าค่าพระดวงก็แสดงธรรมนะครับพระเจ้ามาเสดิจโกศลสมาถ้าอาหารร่าเลยนะพระชัชกาก็เสด็จกลับพอพระราชาเสด็จกลับแล้วใช่ไหมลำดานนั้นพระองค์ก็ตั้เรียกข้ามพระอานนท์มารับสั่งว่าดูก่อนอานน์ถ้าฉชนนั้นเธอจงสอนธรรมแก่ฝ่ายในของพระเจ้าแผ่นดิน ทพระอานุนถูกนักสนองพระพุทธดรรหลังแล้วเข้าไปสอนธรรมแก่ฝ่ายในของพระเจ้าแผ่นดินทุกเวลาต่อมาเช้าวันหนึ่งท่านพระอานุนคลองแต่ละวานศพแล้วถือบาจีวาเข้าไปสู่พระราชนิเวศขณะนั้นพระเจ้าเปรฐที่โกศลประทับอยู่ในห้องพระบรรทมกับพระนางมรีการเทวีเนี่ยอยู่ในห้องบรรทมบรยจุนะครับพระนางได้ทอดพระเน่งเห็นท่านพระอานุ์มาแต่ไตรเทียวจึงผีผ่ามุขขึ้น พระกุษาทรงครับพระกุษาส่งสีเหลืองเลื่อนใช่ไหมได้เลื่อนหลุดนะครับเนี่ยผ้าหลุดเลยนะครับเพราะเพรานั้นไม่ได้แจ้งทราบแล้วเข้าไปใช่ไหมครับเนี่ยท่านพระอานนท์กลับสถานที่นั่นในทันทีไปถึงอารามแล้วแจ้งเรื่องนั้นแก่พิสุททั้งหลายบิดาพิสุจึงผู้มมากน้อยสันตติแล้วก็เพง้งตฤติเตรียมพุทธนาว่าชะไหนท่านพระอานนท์ยังไมไ่รับ ยังไม่ได้แจ้งสราบก่อนไปอย่างนี้นะจึงได้เข้าไปสู่พระราชสถานชั้นในเล่านราแล้วก็การบรรจารทรงทราบวิรุทรงสอบถามทร ง, ท ง, ท ง, ท ง, ทงทติดเตรียมพระอนุณแล้วก็ตัดถึงโทษนะครับในการเข้าไปสู่พระราชสถานชั้นในว่ามีเสอย่างนะการเข้าไปในรุ่ในวงังนี้ธรรมดานะอันตรายนะครับมีโทษหนักสิบข้อด้วยกัน <c oughs> ดูก่อนที่สูจน์ทั้งหลายโทษในการเข้าสู่พระราชสถานชั้นใน มีสิบอย่างสิบอย่างอะไรบ้างหนึ่งดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายในพระสถานชั้นในนี้พระเจ้าแผ่นดินกำลังประทับอยู่ในตำแหน่งที่บรรพมกับพระมเหสีพิสุเข้าไปในพระราสถานชั้นในนั้นพระมเหสีเห็นพิสุทแล้วทรงยิ้มพายให้ปรากฏก็ดกีพิสุทธิ์เห็นพระมเหสีแล้วยิ้มพายให้ปรากฏก็ดีในข้อนั้นพระเจ้าแผ่นดินจะทรงระแวงอย่างนี้ว่า คนทั้งสองนี้รักใคร่กันแล้วหรือจะรักใคร่กันเป็นแม่นมั่นนะครับแล้วก็อาจจะลงโทษพระอาพาด้าใช่ไหม ร, ระวางพาด้านะครับอาจจะเกิดโทษนะกันตรายกับพาด้าทีนี้เป็นโทษข้อ ท, ที่หนึ่งในการเข้าสู่ข้อสถานชั้นไหนึ่สองดูความที่สุดทังหลานยอันหนึ่งโทษที่เกพึ้นกายังมีอยู่อีกพระเจ้ า, จาแผ่นดินทรงมีพระราชกิจมาก ทรงมีพระราชกรณีย์มากทรงร่วมกับพระสนมคนใดคนหนึ่งและของเราลืมไม่ได้นะครับสนมก็หลายองค์ใช่ไหมแล ะ, ะสนมก็ทํางานเยอะนะครับวันใ้ก็ร่วมพระสนมองเหล่าหนึ่งจําไม่ได้นะพระสนมนั้นตั้งประทันเพราะเหตุที่ทรงร่วมนั้นในเรื่องนั้นพระเจ้าแผ่นดินจะทรงระบายอย่างนี้ว่าในพระราชฐานในนี้คนอื่นเข้ามาไม่ได้สักคนนอกจาก เราจะเป็นการกระำของบรณฑิต <ave> นี่ท่านช่วยเลยนะเกิดอะไรทุกกระแวงข้าอย่างเดียวนะครับให้เดินไปทาเองใช่ไหมเป็นท่อตัําคันนะครับแต่ก็กลับมาเระไหมครัสมัยนี้สูตรเียนเอได้ร่ทายกันนะเพื่อย่ยกอยู่ดีเออครับครับนั่นเป็นท่นะครับนี่เป็นท่อข้อที่สองในการเข้าสู่มาตฐานชั้นใน สามดูก่อนพิสูจน์ท้องหลายอันหนึ่งทอดที่จะพึงกล่าวยังมีอยู่อีกราตนะบางอย่างของมีค่าใช่ไหมในพระราชฐานชั้นในหายไปในเรื่องนั้นพระเจ้าแผ่นดินจะทรงระแวงอย่างนี้ว่าในพระราชฐานชั้นในนี้คนอื่นสักคนก็เข้ามาไม่ได้นอกจากบรรมชิตชะลอยจะเป็นการกระทำของบรมชิตนะครับก็ระแวงพระอย่าขโมยไปนะครับนี้เป็นทอดข้อที่สามในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน สดูก่รพิสูจน์เท่ามรอันหนึง่งท่าที่เกิดพึงปรายยังมีอยู่อีกข้อราชการลับนะครับที่ปรึกษาการเป็นการภายในพราชฐานชั้นในเปิดเผยออกมาภายนอกครับนี่เปิดเผยออกมาได้ดดดดดดดยังไงในเรื่อง น, นั้นะพระเจ้าแผ่นดินจะทรงระแวงอย่างนี้ว่าในพระราชฐานชั้นในนี้คนอืน่นสองคนก็เข้ามาไม่ได้นอกจากบรมปัญจิชรอนจะเป็นหิน้รรมของบัมพชิจิ นี้เป็นข้ อ, ขอที่สี่ในการเข้าสู่พระราชาฐานชั้นในห้าือก่อนเข้าสูงหมายอันหนึ่งข้อทีอ่เจ็บพึงกลายยังมีอยู่อีกในพระราชฐานชั้นในพระราชโอรสปรารถนาจะปองปกบชนพระราชบิดามันมีใช่ไหมบางทีนะ่ะต้องการจะคลองล่านะครับก็จะปองกบชนพระราชบิดาเลย ไ, ได้คลองล่าใบไงนี <c oughs> ่นะเหมือนกับพระเจ้ า, าอะไรนะ่ะพระเจ้าพระจัตูใช่ไหมครับปองปกบชนพระเจ้ากิษณนะ์น่ะ หรือพระราชฎรปีดาปัถนาจะโปร่งก็ชนพระราษโอรสนะคะรับบัณย่อยก็จะเป็นไปได้พระราชฎรปดาเนี่ยระแวงพระโอรสนะครับว่าจะมาโปร่งตัวเองใช่ไหมแล้วก็ขึ้ของแย่งชิงหน้าสมบัติก็ได้ก็เลยที่จะโปร่งก็ชนพระราชโอรสนะครับทั้งสองพระองค์นั้นจะทรงระแวงอย่างนี้ว่าในพระราสถานชั้นในนี้ไม่มีใครคนอื่นจะเข้ามาได้นอกจากบัณฑิต ฉะลอยจะเป็นงานทำของรมประชิตเลยครับทั้งสองฝ่ายก็จะแรงจะระบายว่าสงสยัยภาคเป็นคนยุ่ยแย่แน่ๆเลยนะยู่ให้พ่อค่าลูกให้ลูกค่าเนี่ยเขาจะสงสัยผ้านะโดนตั้งหลอกเลยนะครับ <c oughs> นี้เป็นโทษข้อที่ห้าในการเข้าสู่พระสถานชั้นหนึ่งครับพอรูก่อนผู้สูตรต้งหลายอันหนึ่งโทษที่จะพึงกล่ายรียมีอยู่อีกพระจเจ้าแผ่นดินทรงเลื่อนข้าราชการผู้ดํารงอยู่ในตําแหน่งต่ํา ไว้ในฐานอันดรอนสูงพวกชนที่ไม่พอใจการที่ทรงเรื่องพระราชการผู้นั้นขึ้นจะทรงระบางอย่างนี้ว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงผู้ขี่กับพวกบุมาชิตชะรอยจะเป็น ก, นการทาของบุมาชิตนี้เป็นโทษข้อที่6ในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นในนะครับไม่ใช่พระราชายอย่างนดียวที่จะทรงระบางพระนะครับแม้แต่คนอื่นก็ยังจะระบายพระนด้อันที่5้าข้อที่ผ่านมาพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมจะระบางพระนะครับเป็นข้อของนคนอื่นแล้วนะ 7เจ็ก่อนที่สุดทั้งหลายอันหนึ่งโทษที่เยือกยินเปล่ายังมีอยู่อีกพระเจ้าแผ่นดินทรงลดข้าราชการผู้ดํารงอยู่ในตําแหน่งสูงไว้ในฐานอันดรอันตำ่ำผู้ชนที่ไม่พอใจการที่ทรงลดตําแหน่งข้าราชการผู้นั้นลงจะระแวงอย่างนี้ว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงคุกคีกับพวกบัมบัชิตบัมบัชิตนะชะลอยจะเป็นกงงานรทำของบัมชิตนี้เป็น ท, ท่อข้อดีเจในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใ ดูก่อนพิสูจน์ทังหลายอันหนึ่งเท่าที่จะพึงกาวยังมีอยู่อีกพระเจ้าแผ่นดินทรงส่งกองทัพออกไปในการไม่ควร<ส>เวลานี้ไม่ใช่เวลาควรลบใช่ไหมไม่ใช่เวลาควรสู้นะมันต้องถอยต้องรู้เชิงก่อนครับแต่พระราชาส่งไปแล้วนะครับในการที่ไม่ควรพวกชนที่ไม่พอใจในพระราชกาณียกินั้นจะระแวงอย่างนี้ว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงคูกคีบำประปชิดชะลอยจะเป็นงานทําของบำประชิตนี้เป็นข้อข้อที่แปด ในการเข้าถึงพระราชฐานชั้นในก้าดูกว่าพสุดทั้งหลายอันหนึ่งโท่าที่จะเป็นกลายยังมีอยู่อีกพระเจ้าแผ่นดินทรงส่งกองทัพไปในการข่วนมันถึงเวลาที่จะออกรบแล้วใช่ไหมพรกก็ส่งกองทัพไปนะครับและรับสัมภิ y กลับเสียในระหว่าง่างอา้าวแล้วก็เสี ย, ยการสัญญาหมดใช่ไหมครับพวกชนที่ไม่พอใจพระราชกรนี้ยกนั้นจะระแวงอย่างนี้ว่าพระเจ้าแผ่นดินทรง พ, พุดคียกับบัประชิต ชาลอยจะเป็นงานทำของบรรดาชินนี้เป็นโทษข้อที่เก้าในการเข้าสู่ราศรฐานชั้นในมาดูข้อสิบนึงนะสำคัญเลยนะครับถึงว่าทั้งเก้าข้อเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ไม่แน่ใช่ไหมแต่ว่าข้อสิบนะครับแน่ๆเลยดูก่อนพิสุจนทั้งหลายอันหนึ่งโทษที่จะพึงกล่า ย, ยังมีอยู่อีกราศรฐานชั้นในเป็นสถานที่เรื่องรมเพราะช้ามา้าร้อนและมีอารมณ์เป็นที่ตั้งความกําหนัง เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ใช่ไหมครับพวกนางสนนกรรมต่างๆนะหรือว่าพวกพระราชดิษฐ์อาดา น, นะครับเจ้าหญิงาต่างๆนี่นะอืมนะครับซึ่งไม่สมควรแก่บุคิดนี้แลเป็นโทษข้อที่สิบในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นหนึ่รานี้แลที่สุดทั้งหลายโทษสิบอย่างในการเข้าอยู่พระราชฐานชั้นหน่และพระองก็ทรงมีศิกษาคนนี้ขึ้นมานะครับอย่างที่ได้อ่านไปแล้วนะ ถ้าบอกว่าอะไรนะก้าเท้าแรกนะครับเข้าไปนวดทอนี่ประตูห้องบรรทมต้องบัรทุกกพอก้าวท้าที่ส อ, องเข้าไปก็ต้ปาจิตตีนะครับกำลดูในการข้างนี้ครับหน้าสองร้อห้าสิบห้าอันนี้ไปไวแล้วนะไม่รออะไรนะไม่ต้องรอเล <c oughs> ยเดินหน้าเลยเาะห <c oughs> นาบ้างนะครับข้อที่หนึ่ง อธิบายอันเตปุรากสิกขาบุพึงสร้างอธิบายขาบุตรที่หนึ่งเห็รัตนว่าต่อไปคขาว่าสติยักษ์ได้แก่ผู้มีชาติเป็นกษัตริย์ตรงนี้ถ้าอธิบายว่าเป็นกษัตริย์ที่บริสุทธิ์ด้วยดีนะเกิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายครับคือทั้งฝ่ายพระราชมารดาพระราชบิดาเนี่ยก็เป็นกษัตริย์นะเป็นผู้มีพระคันเป็นที่ถือปฏิสนธิหมดจนดีแล้วเาะตลอดเจ็ดช่วงบุรพชนกนะ ก็เป็นกษัตริย์ตามราชวงศ์มาเลยนะครับคําว่ามุทภาพิตรศัตด์คือได้รับการพิเศษแล้วโดวยการพิเศษเป็นกษัตริย์นะครับพระราชายังไม่ได้เสด็จออกไปจากที่บรรทมนี้เพราะเห็นนั่งสถานที่บรรทมนี้ชื่อว่าอนัคตะาราสกันะครับคือพระราชายไ ม, ม่ได้เสด็จออกเข้าไปนะครับในสถานที่พระราชาอย่างไม่ได้เสด็จออกไปนั้น คือสถานที่บรรทมพระมเหสีพิะบ่าเจ้าตระเรียก ว, ว่ารัตนะในสิกขาบทนี้ใช่ไหมถ้าเราในตัวบาลีนะ่ะอา น, นิขตะรัตนเกใช่ไหมครับบทว่า น, นิขาตตัมแปลว่ายังไม่เสร็จออกไปสถานที่บรรทมชื่อว่าอา น, นิขตตัตอานิขตตัตรัตนกาศนะครับ พอ้อพิสูจนที่พระมเหสียังไม่ได้เสร็จออกบานะครับบาลีว่ายังไงนครับรู้จำด้ข้อ น, นีนะ้โยปนาภิคุโยปณาภิคุรัโยขติยสามทา้าปิสัสสังอันน้ขตาราชเกตอันนิขสาราตนเก อ, เอุูเพอปฏิสาวิิตโตอินท่าขีรังอิการมายะปาสียังนี่ครับข้อที่พระมเหสีรับกัหน้านาที่นี้นะครับ เข้าไปในสถานที่ที่ลักษณะคือสถานที่พระมเหสียังไม่ได้เสร็จออกไปนั้นนะครับคือตำหนักตาหนักที่บรรทมในคําว่า um นะอินทกีฬาติกามยะอินทักีราธรณีประตูนี้เมื่อพิสุไม่บอกให้พระราชารู้ก่อนว่าตนเองมาแล้วครับข้ามหรือว่ากล้าล่วงนะทอ น, นีประตูของตําหนักที่บรรทมไป ผ่านไปเก้าแรกต้อมบัตุกดเก้าที่สองต้อมบัตปานจิตปีนะครับง่าๆสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมขอหาย่านะได้เข้าไปถึงพระสฐานชั้นในขนาดนะครับมีแต่ี่มนต์ไปทานใช่ไหมอืออือครับเหเกิดและประเพรอาบาัตนะครับที่คาบนี้ว่าพระเจ้าทรงปลารบท่านพระอาหนมในเมืจจองราชสุข บัญญัติไว้แล้วก็เห็นคือการเข้าไปภายในตำแหนักของพระราชาเป็นอักษรธนบัญญัติที่ชุดนี้ไม่หมินครับข้อนี้น ะ, ะเป็นอนันติกัมไม่เกี่ยวการใช้เข้าไปเองต้องบัญ น, นะครับติกาปาจิตติคือยังไม่ได้บอกให้ทราบนะบเข้าใจสงสัยสัมพันธ์ผิดเข้าไปเข้าตีนั้นนะครับพิสูบบอกให้ทราบแล้วแต่ในสำคัญผิดว่ายังไม่ได้บอกนะครับให้ทร า, าบหรือว่ามีความสงสัยเข้าไปนี้ต้องบัตุกต อนาบัตพิสุทธไม่ต้องอนาบัตรก็สมมตเมื่อ <c oughs> บอกให้ทราบแล้วนะครับสําคัญว่าได้บอกแล้วเนี่ยก็เข้าไปได้เข้าไปยืนสถานที่บรรทมไม่ใช่ของประสานนะครับที่นองคนอื่นไม่ปไปได้แค่ไมันช่ที่น้องฟ ร, ราชาใช่ไหมเป็นที่บรรทมของพระราชโอรสพระรจุฬุมาณ น, นะของพวกอา ม, มาอะไรก็ได้แต่นะครับแต่ว่าดูให้ดีนะถ้าอะไรไปเข้าเป็นก้าขงขวางคอใช่ไหม เลนส์สีขาวที่ย่เอาเดียวถ่ายมาจากนั้นน่ะอันน่นมันก็จะโดนข้อนั้นอีกนะครับนี่ตอนนั้นเกี่ยวกับอะไรนะทั้งสองอะไรสายภรายาเกิดความกำลังใช่ไหมแล้วก็อยู่ในห้องนะครับถ้าก็เข้าไป <c oughs> เป็นกานขรขวางคอนะครับงั้นนะเข้าไปในห้องครับอันนั้นก็จะเปโดนข้อหนะึ่งเป็นสถานที่ของพระราชาที่ยังไม่แล้วการพิเศษนะครับไม่มียมไม่เอานะ ต้องเวลาชาติได้รับมรดกทางพิเศษแล้วด้วยเข้าไปในเวลาที่เพื่องทั้งสองหรือผู้ใดผู้หนึ่งบ อ, อกไปแล้นะครับหรือเพื่องเดียก็ไม่เป็ไรไปยังสถานที่ที่ไม่ใช่ห้องบรรทมนี่ไปไหนและที่สูงบ้านเป็นต้นท่านบอกว่าห้องบรรทมเนี่ยโดยที่สุดแม้ห้องบรรทมที่เขาใช้เขาวงด้วยมากเขาบวได้วยมาเนีนะ่นั่น้ก็ไม่ได้นะครับอาจจะไปประทับแล้วใช่ไหม แล้วก็ทำไปห้องบรรทมวงได้มากนั่นก็ไม่ได้นะครับองค์อานบัตนะครับสิกขาบนนี้มีองค์ห้าเหล่านี้คือหนึ่งเป็นกษัตริย์สองได้รับพิเศษแล้วสามเป็นสถานที่ประราชาได้พระรา ช, ารราชนียังไม่ได้เสร็จออกจากห้องบรรทมสี่ที่สูงไม่ได้บอกให้รู้ก่อนนะครับห้าเดินเลยธรณีประตูไปครอบวงก็เป็นไปถึงตีในสิกขาบนนี้นะครับ สมุทฐานเป็นต้นเหมือนกับปฐมกับถิ่นสิกะปฐมกับถิ่นสมุทฐานคืออะไรครับ น, น่าเขียน <laughs> กายวาจากายวาจาตต่างแต่สาขาบนนี้เ อ, อเป็นกิริยากิริยาแหล่ลองที่บายนะครับว่าเป็นกิริยาพราะอะไเป็นกิริยาเพราะว่าเดินเข้าไป <laughs> พอเดินลอดของนี้ประตูเข้าไปเป็นกิริยาครับเป็นกิริยาเพราะว่า เป็นแต่ยังพราะยังไม่ได้แจ้งยังไม่ได้แจ้งทราบข่าวนนีะครับกายกายเกิดกายเพราะอะไรเขาบอกว่ากายวาจาหรืกายอะไรเขากายกเดินเข้าไปวาจาไม่ได้บอกให้ทราบใช่ครับจิตจิตก็คือรู้ทงรู้ว่ายังไม่ได้บอกให้ทราบแล้วก็จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะเดี๋ยวว่าไม่มีจิตก็ ถ้ายังไม่ได้บอกให้สร้างนะครับจะรู้หร้อเข้าใจผิดก็แล้วแต่นะเข้าไปก็ต้องบอกทั้งนั้นครับถ้าไม่มีจิตคือยังไม่ได้บอกเรากแต่เข้าใจว่าบอกแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่มีจิตถ้ามีจิตก็รู้ต้องรู้ว่ายังไม่ได้บอกแล้วเข้าไปครจบการอธิบายอันเตปุรากสกขาบทนะครัจบจบ